พิธธรรมวิหารธรรมการดูตัวเองคือใจซึ่งเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งไปหาเรื่องหาราวด้วยสติก็ย่อมทราบความผิดถูกดีชั่วของตัวได้ใจก็สงบตัวลงพอมีทางได้รับความสงบสุขและเห็นโทษในความคิดความปรุงของเจ้าของที่ระคบเงาหลอกตัวเองไม่มีสิ้นสุดยุติ ใจนี้เป็นมหาเหตุเหตุปัจจโยจะหมายถึงอะไรมีเหตุเป็นปัจจัยปัจจัยเครื่องหนุนจะเกิดที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นจากใจซึ่งเป็นต้นเหตุอันสําคัญอารมณปัจจโยมันเป็นอารมณ์มาจากไหนถ้าไม่เป็นไปจากใจปรุงขึ้นมาให้เกิดให้เป็นอารมณ์อารมณ์เป็นขึ้นจากใจ ซึ่งเป็นตัวมหาเหตุนี่แหละจงสมรวมระวังอย่าปล่อยใจออกเพ่นพานสู่อารมณ์ถ้าไม่อยากเจอไฟคือความทุกข์ร้อนนอนกลางเผาผลานใจอภิธรรมท่านสอนจิตล้วนๆจึงเข้าใจยากกุศลธรรมมาอากุศลธรรมมานี่เหมือนกันเหตุปั จ, จโยอารมณปั จ, จโยอธิปติปั จ, จโย สมณะนันตะระปั จ, จโยเหมือนกันทมที่กล่าวเหล่านั้นมีอยู่ที่ใจพระอาภิธรรมท่านสอนใจถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอาภิธรรมเราก็อย่าด่วนไปสนใจให้เสียเวลาเวลาเลยให้ดูใจซึ่งเป็นรากฐานของอาภิธรรมเป็นที่แสดงออกแห่งกิริยาของอาภิธรรมเช่นเหตุ ป, ปั จ, จโยเป็นต้นเป็นอาการหนึ่งหนึ่ง ท, ท่านแสดงออกไปจากใจเมื่อทราบนี้แล้วทราบไปหมดปิดไม่อยู่เพราะอภิธรรมทั้งเจ็ดคำผีนั้นเกิดขึ้นที่พระจิตของพระพุทธเจ้าท่านสอนจิตทั้งสิน้นขอให้สร้างใจให้ฉลาดคำว่าฉลาดนี้ฉลาดรอบตัวนะอย่าไปสาคัญว่าความฉลาดกว่าผู้ใดแล้วเป็นความเลิศความประเสริฐยิ่งกว่าความฉลาดรอบตัวเอง นี่คือความฉลาดอันประเสริฐอยู่ที่ตรงนี้ความเป็นใหญ่ในตัวนี้ดีเป็นใหญ่ในผู้อื่นไม่เคยดียิ่งกว่าความเป็นใหญ่ในตัวความรู้รอบตัวแก้ไขตัวได้ดีอาการใดที่แสดงออกมาผิดถูกดีชั่วนั่นจะแสดงมาจากตัวแล้วรู้เรื่องรู้ราวของตัวจึงชื่อว่าผู้ปฏิบัต จงมองดูจุดนี้อย่าไปดูจุดอื่นชื่อว่าผู้ปฏิบัติโดยถูกทางเรื่องราวอะไรอะไรก็สงบลงไปลงไปสุดท้ายก็จะมาเห็นโทษทั้งหมดที่มันร่ายออกไปตะรุบเงาไปโน้นไปนี้ที่จิตแห่งเดียวเพราะที่เกิดอภิธรรมและย่ออภิธรรมก็คือจิตดวงบริสุทธิ์ล้วนนี่แหละจะเป็นอะไรที่ไหนไปเล่า จงปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านถ้าอยากเห็นคลังแห่งอภิธรรมคืออะไรอยู่ที่ไหนผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะทราบในตัวเองด้วยสันทิติโกโดยไม่มีการสถานที่ใดๆมายืนยันรับรองจะพอตัวอยู่กับสันทิติโกภายในใจตัวเอง